เพื่อนปู้วิสสมเณรทั้งหลายแม่บัรดา ญ, ญาติโยมหัวตบริษัท <c oughs> วันนี้ก็มาคุยกั น, นเรื่องทางทานวันนี้ขอจบนะครับแต่คืนไม่ไม่ตัดจบก็เลยไม่ต้องจบเรื่องทานนี่มีเรื่องพูดอีกเยอะแต่ขอพูดเป็นแนวเท่านั้นนะ <c oughs> แต่ว่าก่อนที้พูดถึงทานวันนี้เป็นตอนจบมารวมบารมีกันบารมีกันสักทีหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องทานก็ขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมหาทางตัดอมายภูมิอันดับแรกแล้วก็พยายามโดดหนีนรกเปรตอสุรกายสติจฉานกันเสียก่อน <c oughs> ถ้าหากว่ามีบารมีแค่นี้มันจะย้อนมาเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เป็นไรต่อไปแล้วก็หาทางตัดหนีความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมปานิพานต่อไป <c oughs> อาการที่เราจะหนีนรกได้อบายภูมิได้ <c oughs> ก็คือหนึ่งไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตนี้มันอาจจะต้องตายวันนี้ไปเสมอ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ยอมให้ชีวิตของเราเปล่าจากความดีหาทุนหนีอบปยภูม <c oughs> จัดเป็นกำลังใหญ่คืออาศัยกำลังของพุทธเจา้ากำลังของพระธรรมกาลังของพระอริยสงฆ์คำว่ากำลังก็คือความดีที่ท่านสอนพวกเราท่านสอนพวกเราว่ายังไงเราไม่ทุกใส <c oughs> ปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านด้วยความเต็มใจ <c oughs> และก็ด้วยศรัทธาแท้มณ่คอมนแย่ <c oughs> <c oughs> และก็จากนั้นไปก็ทรงสินตามสภาพให้บริสุทธิ์คารวาดกศิลหาและก็พระเนรเป็นสิ่งของท่านธรรมะบางส่วน ที่จำํำจะต้องปฏิบัติอภิสมาจารยโดยให้ครบถ้วนหวังไว้อย่างเดียวว่ามนุษย์โลกเราไม่เอาไม่เกิดอีกเทวเา่ า, าโลกเราไม่ต้องการเพมาะโลกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพาน <c oughs> เราต้องการนิพพานทําไงเราก็ทําบารมีทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เต็มบริบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าบุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลนั้นก็ไปนิพพานเป็นอรหันต์แบบไม่ยากต่นนี้เดี๋ยวท่านจะมาย้อนถามผมว่าเป็นอรหันต์แล้ไหรือยังผมไม่ยืนยันหรอกถ้าตอบว่าให้ตอบที่ว่าเป็นอรหันต์แลว้วหรือยังผมก็ต้องตอบว่าผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอริยเจา้า แล้วก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระผู้ทรงฌานผมมีความรู้สึกตัวแต่เพียงว่าผมเองยังดีไม่พอยังมีความเลวอยู่มากเวลานี้ก็กำลังต่อสู้กับความเลวเพื่อจะไปหาความดีก็เป็นว่ามันจะดีแค่ไหนก็ช่างมัน วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องการให้ทานมีบารมีอะไรช่วยบ้างอันดับแรกจริงๆนะครับผมก็จะขอบอกว่าตามความตามปัญญาของผมนะผมมีความรู้สึกว่าคนที่จะให้ทานได้เนี่ยต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญานี่ให้ทานไม่ได้ ก็เป็นว่าการที่ให้ทานจให้ทานได้ต้องมีบัญญาบารมีเข้าไปช่วยคือบัญญาบารมีนี้เป็นตัวนำถ้าคนไม่มีบัญญัี่เขาจะไม่เห็นคุณของการให้ทานเพราะอะไรเพราว่าก็ถือว่าทรัพย์สมบัติที่เขาหามาใน้ยากเรื่องอะไรที่เขาจะให้คนอื่นถ้าต้องการความร่ำรวย ตัวอย่างมีครับแต่ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าหา ว, ว่าผมพูดถึงว่าตัวอย่างในปัจจุบันผมมันจะตายเร็วเกินไปขอพูดเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างอานันทเสฐีเป็นมหาเสฐีแต่ไรปัญญามีทรัพย์แต่ปราศจากปัญญา มีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติที่เราให้เราได้มานี่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายหามาให้เขาไม่ได้มีความรู้ว่าเขาที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะการให้ทานมาในชายก่อนโดยเพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือสังฆทานแม้พูดถึงสังฆทานนี่ผมปลื้มใจเหลือเกินญ <c oughs> าติโยมพู้บริษัทคณะของเรานี่ ให้ทานกันเลี้องน้องเป็นปกติให้สังฆทานกันจริงๆสังฆทานเนี่หนักมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเงินที่เขามาให้ผมผมไม่เคยคิดว่าเป็นเงินส่วนตัวเลยถ้าวางปุ๊บลงไปนี่ผมคิดอย่างเดียวว่าเงินนี่เป็นสังฆทานหรือวิหารทานหรือธรรมทาน ผมมีความรู้สึกเท่านี้ผมมีความรู้สึกมาตั้งแต่บสถใหม่ๆพอคิดไ้เสมอว่าการโบทนี่หนึ่งไม่หวังความ ร, ำร่ำรวยสองไม่หวังการแต่งงานถ้าบังเอิญกิเลสบางอย่างเข้ามารบกวนให้ผมจำต้องแต่งงานจะไปรักใครสักคนอยากจะแต่งงานกับเขาผมจะสึกทันทีไม่ยอมให้เสียผ้าสีผ้าเหลือง พูดที่จะพูดมากไปนี่จ้างตั้งใจเดิมนะเพราะนั้นการที่ญาติโยมพระสัฆเอาปัจจัยมาวางเนี่ยผมถือเลยว่าเป็นสังฆทานควิหารทานและธรรมทานแล้วผมก็จะไม่รบ ก, กวน จ, ะจะวระจุปัจจัยส่วนในของท่านมาเป็นส่วนตัวใช้ส่วนตัวมีญาติโยมมาโดยการท่านลงสารว่าอันนี้ถวายจะเพาะลงพ่อโดยเฉพาะเจ้าค่ะอย่างสมศรีปักเกอร์เนี่ย แค่อยู่นิวซีแลนด์แกส่งเงินมาทางธนาคารต่างประเทศที่ส่งเช็คมาบ้างอะไรบ้างก็ตามระบุมาเลยเงินส่วนนี้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ส่วนนี้ให้หลวงพ่อใช้เฉพาะไอ้เวลานี้ก็มีโยมญาติโยมมาด้ยวยกันมาถึงก็วางปุ๊บวัที่สองสองซองนี้ถวายอีกซองนี้จะพาะหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ นี่ก็มากมากแต่มันมากในขั้นผมไปไหนผมกินผมใช้ไม่มากผมก็เอาไปทำบุญเป็นสังฆทานเลี้ยงพวกทานบางเสียค่ากระแสไฟฟ้าบ้างซื้ออุปกรณ์ของวัดบาง่งสร้างวัดบางแล้วก็สร้างวัะพุทธรูบบังช่วยด้านธรรมทานบ้างก็เป็นผลค้นญาติโยมที่เพิองได้ <c oughs> ผมเคยถามพระที่มีความสาคัญ ท่านบอกว่าเขาให้เรามาแล้วอย่าให้ได้บุญอย่างเดียวให้เป็นส่วนตัวให้เขาได้เป็นชงตทานวิหารทานธรรมทานด้วยชงตทานเขาจะไม่อดไม่อดตายให้เคร่องมีความคร่องในชีวิตวิหารทานมีกําลังสูงสุดในด้านอริสทานธรรมทานเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาใต้กิเลสได้เร็ว ผมถามนั้นว่าเขาให้ผมมาเป็นส่วนตัวแล้วผมไปทําอย่างนั้นเขาจะได้หรือครับท่านย้อนถามมาคําเดียวว่าเงินของใครนี่เท่านี้เองผมเลยปลื้มใจเพราะว่าหลอแบบนั้นแหละโยมท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเป็นว่าท่านตายแล้วท่านจะพบของท่านเองถามว่าทําอย่างนี้ไม่กลัวอดตายเพราะโทษเพราะญาติยมให้กินอยู่แล้ว ที่อยู่ญาติโยมก็แางให้ภาพผลท้สบายชาติญาติโยมก็ให้ยาเหซ้ายโลกโยมก็ให้แล้วปัจจัยส่วนนั้นถ้าเรามีธุระจำเป็นไปไหนก็ยังใช้ได้แล้วก็ใช้แต่พอครแต่พอดีพอดีอดย่าไม่เกินไปเหลืออย่างนั้นก็เอาไปช่วยทันแล้วอย่างเวลานี้ยิคิดจะทำบุญประจำปีเดือนมีนาคมทุกปี คิดไว้เลยว่าวัดไหนที่มีการก่อสร้างถ้าญาติโยมช่วยเข้ามาจะช่วยทันไปแล้วกําลังจะไปสร้างโบสถ์ช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดโอศรีเจริญวัดนี้รู้สึกว่าดีดีพอใช้แต่ให้เป็นวัตถุถ้าให้ไปเจ้าวนเงินจะพระครวญทะเลาะ ก, กันให้ปูนให้เหล็กให้ให้หินให้ทรายจะให้แบบนี้แล้วก็เรื่องเากนั้นให้ทันหาเราเอง อย่างนี้ก็ชื่นใจผมก็ปลื้มใจนี่จะทำแบบนี้ทุกปีไองวัดไหน ม, มาขอไม่แน่จะให้ผมต้องดูก่อนมาผมไว้วางใจผมจะให้เพราะว่าผมเคยช่วยและถูกเชิดเงินไปหลายๆายแล้วแต่ว่าผมไม่เอาเงินส่วนกลางเขาอยญาติโยมไปให้หรอกไปช่วย ผมก็จะเอาเงินที่ผมผ ม, ผ ม, มีอยู่สมัยเป็นคันท ร, รวาทเอามาช่วยเงินจำนวนนั้นมันก็มีอยู่บ้างไม่มากไม่มนักมีนิดๆหน่อยก็พอจะช่วยกันได้เล็กๆน้อยๆเอาพูดกันใหม่ต่อไปเป็นนว่าการให้ทานนี้ต้องมีปัญญาอย่าหนั่น ถ, ถ้าเสถียะตายจากความเป็นคน ไปเกิดเป็นลูกขอทานหากินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แม่เข้าแต่พอเข้าท้องแม่ขอไม่ได้เลยอันนี้คนไม่มีปัญญาไปอย่างนั้นนี่คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นการทำความสุขให้แกเราผม ข, ขอเอาพระราชดำริคาว่าบาสสมเด็จจี้หัวท่าน ท, านทรงตัดใหกฟัง เมื่อเข้าไปเฝ้าท่านที่บางสวนจิตตานานมาแล้วหลายปีแล้วท <c> ร <oughs> งตัดว่าผมบอกว่าท่านทำเนี่ยท่านทำเพื่อสงเคาะ์กบประชาชนให้ประชาชนมีความสุขถ้านบอกไม่ใช่ผมทำให้ตัวเองผมทำเนี่ยผมทำให้ผมความจริงทรงความพระราชดำริของท่านตรงเป่งี่ยคือเราให้ความสุขกับเขาเราก็มีความสุข ก็ถูกละคนที่เราเลวมีที่ด่าว่าก็มีอะไรก็มีไม่เห็นชอบโดยนั่นเป็นเรื่องของเขาเราทําเพื่อเราเมื่อเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขถ้าเราทําให้เจ้าบ้านเขามีความทุกข์เราจะมีความสุขยังไงเราก็มีแต่ศัตรูในการให้ทานของคนที่มีปัญญาอันดับแรกจะถือว่าล้อมรู้ด้วยเขียวดิงา คือมีคนรับทานแล้วเขารักเราเขาจะช่วยเราป้องกันตรายให้ต่างกําลังนี่ผลง่ายๆของคนที่มีปัญญาแล้วส่วนผลของทานนนั้นในเมื่อเรามีคนรักมากเราไปไหนมีเจอแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็มีความสุขนี่เป็นความสุขในปัจจุบันที่เป็มาอีกทีหนึ่ง <c oughs> ไล่ลงมามาดูศินะบรารมี การให้ทานนี่เราจะมีศีลไหมอย่าลืมว่าการให้ทานเราต้องประกอบด้วยพรมิหารสี่หนึ่งเมตตาความรักเรารักเราจึงให้เราเกลียดเราไม่ให้สองกุณาความสงสารเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรักแต่สงสารเพราะเขามีทุกข์สามุตตตาจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสยาเขา เขาได้ทรัพย์สมบัติไปจากเราอาหารไปจากเราแล้วก็ไม่ฉาจะคิดว่าอันนี้มันไม่ได้ทําเลยเนี่มันแย่งกูกินแล้วไม่ได้คิดอย่างนั้นเราให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์บำรุงความสุขพอควรตามที่เราจะพึงให้ได้ <c oughs> นี่ก็มุตตาจิตก็มีอุมเบกขาให้แล้วเขาไปแล้วเขาจะมาใหม่จะยิ้มแย้มจะใส่ขอบคุณหรือไม่ช่วยอะไรหรือไม่เราไม่เคยคิดแล้วก็วางเฉย นิ้วขนาดที่เราให้ทานพรมิหารสีต้องครบถ้าพรมิหารสีไม่ครบเราก็ให้ไม่ได้เวลานั้นเราเป็นคนที่มีพรมิหารสีครบถ้วนนี่ส่วนประกอบภายนอกส่วนประกอบที่ภายในที่เป็นศีลขนาดที่เราให้ทานศีลมีห้าข้อสมบัติระวาสขนาดที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาอยู่แล้วสงสารอยู่แล้วเราคิดจะฆ่าเขาไหม เราคิดจะฆ่าเขาแล้วก็ไม่ให้เราให้ไม่ได้เราคิดจะแย่งทรัพย์สมบัติของเขาไหมคิดจะแย่งเราจะให้ทำไมเราคิดจะแย่งเมียเขาไหมถ้าคิดจะแย่งเขาจะให้ทำไมเขาแย่อยู่แล้วแย่งอะไรคนดีกว่านั้นมีเยอะเราให้ทานเขาเราคิดจะโกหกเขาไหมก็เราให้อยู่เฉยๆให้จริงๆเราไม่ได้โกหก ในเวลาที่เราให้ทานเราเมาเล่าหรือเปล่าเวลานั้นเราก็ยังไม่กินเล่าแต่คนกินเล่าก็ยกไว้ <c oughs> ให้แล้วไม่เมาไม่เมามันกินเล่านี่แปลว่าการจะให้เนี่ย <c oughs> ให้ทานเนี่ยมันก็มีศีลประคับประคองอยู่แล้วเห็นไหมล่ะกินบา ร, รมีเข้ามานี่เนคขมะบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีเป็นความอดใจญ่ในด้านกามารมณ์ มีห้าอย่างเบื้องต้นโดยเฉพาะเบื้องต้นนะหนึ่งกรรมฉันทะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเขาทุกโศมแบบนั้นเราเคยคิดอยากจะแต่งงานกับเขาไหมเวลาเราให้ทานเราคิดจะฆ่าเขาเปล่าโทสะไม่มีเวลาที่ให้ทานเราง่วงหรือเปล่าง่วงก็ไม่เป็นไร เวลาเราให้ทานคิดฟุง้งซ่นไหมว่าไอ้หมอนี่มาแย่งโกทําไหมมันเป็นตัวถ่วงสังคมตัวความสุขไม่มีแล้วมีเมตตาบาลีแล้วนี่เราให้ฐานแล้วเราก็ไม่สงสัยคิดว่าเขามีทุกจริงๆเรื่องความนิวรห้าบริการเวลานั้นไม่โกรนใจเราอยู่ในเกณฑ์เนคขมบรมีเบนนื้องต้นนั่นเนคขมบรมีเบื้องต้นก็ต้องมีในขณะที่ให้ทาน มาวิริยะบา ร, รมี <c oughs> ปัญญาบา ร, รมีว่าในตอนต้นมาวิทยะบา ร, รมีคนย่อยทานต้องมีความเพียรต้องใช้กําลังใจเข้มแข็งไม่อย่างนั้นแล้วก็ไอ้มัจฉาญาตัวความตนีตัวขี้เหนียวเข้ามาขวางคอ <c oughs> <c oughs> เวลานั้นกําลังตัดอย่างแรงมันต้องเกิดขึ้นเราไม่เส้นดายในทรัพย์สิน เราให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้เม้สายวิทยขคมตัดกำลังที่มันจะเข้ามาต่อต้านคือ ต, ตัวไอตัวกิเลสตัวขี้เหนียวโยนทิ้งออกไปจากใจกโวคราวขณานั้นไม่มีตัวขี้เหนียวไม่มีค <c oughs> ันติบารมีการอดใจในการดันกั้นดันชิ้นดายในทรัพย์สินไม่มี มีการอดทนคิดว่ามันจะลําบากตาบนวยการหาทรัพย์สินไม่คำนัดไหนก็ตามแต่ว่าเราก็แบ่งให้ตามสมควรที่เราเป็นเจ้าพึงให้ได้เท่านั้นแล้วก็อดทนไม่เคยคิดลําคาญไม่เคยคิดประทุษร้ายไม่เคยคิดจะกําจัดคนขอทานคนที่มีความลําบากคนที่มีความลําบากไม่ทําไมหมายความถือก็เบื่อขอทานเสมอไปนะสัตว์ที่ลําบากคนที่ลําบากเราช่วยต่างกำลัง <c oughs> ในคันติความอดทนอดใจก็มีอยู่แล้วนี่สัจจะบารมีสัจจะคือความจริงใจเราคิดไว้เสมอว่าเราจะให้ทานโอกาสมีเมื่อไรเราให้เหมือนนั้นอันนี้มีก็เป็นสัจจะบารมีข้อหนุนอดิธานะบารมีตัวนี้ตัวตั้งกำลังใจไว้แต่ดเดิมว่าโอกาสมีเมื่อไรเราจะให้ทานเมื่อ น, นั้น ในเมื่อเราเจอผลเรื่องการให้ทานกันแล้วเราก็ให้ทันทีทันใดตั้งใจว่ายังไงทําอย่างนั้นเป็นตัวอธิษฐานบา ร, รมีมันก็มีประกอบมาเมตตาบา ร, รมีนี่ตัวเบื้องต้นปัญญาบา ร, รมีเกิดเมตตาบา ร, รมีต้องมาถ้าไม่มีเมตตาบา ร, รมีแล้วก็ไม่มีการให้ทานได้หรอกเจ็บเมตตาบา ร, รมีเป็นตัวะสงค์กับปัญญาบา ร, รมีเบื้องต้นหนักมากตัวนี้ แล้วก็ไม่มีอุเบกขาบารมีทรับลงรเราจะน้อยไปหน่อยเราก็มันจะต้องหาใหม่เพิ่มกันมาแล้วก็วางเฉยไม่เคยคิดบ่นไม่เคยคิดว่าบุคคลที่มาความจริงเขาไม่รบกวนเรานะเราไปให้ทานไม่เคยคิดบ่นที่ว่าไอ้มอ น, นี่ไม่น่าจะไม่จนไม่น่าจะมาลาบากตัวหน้าเราเลย ไม่น่าจะมีทุ ก, กเวทนาสหาตันาเราทำให้เราต้องเสียทรัพย์ินอันนี้ไม่มีจิตกวางเฉยให้ดอกูจิตสบายใจนี่ระบรรดาท่านเพื่อนพิวิโสชมันเนทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งรับฟังเดือทราบว่าการให้ทานครั้งหนึ่งเราก็มีบรารมีทั้งสิบประการครบถ้วน ถ้าทานบารมีเราสมบูรณ์แบบบารมีเก้าก็สมบูรณ์ไปด้วย <c oughs> จะดูตัวอย่างคนสำคัญสักคนสองคนอย่างท่านอนาถวิเนกาเศรษฐีก็ว่าท่านมาหา ว, วิสาขามาหาบาสิกาสองท่านนี้ท่านหนักก็ในทานบารมีจริงๆ ผมอ่านหนังสือยังไม่เคยพบว่าพระพุทธเจ้าไปบ้านท่านนาบิกาเสถียรอย่างอื่นโดยมากพระเจ้าเทศในการให้ทานอย่างเดียวเท่านเจนนะท่านจะเจ อ, อย่างอื่นที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบผมไม่เจอ <c oughs> ทางัายการให้ทานอย่างเดียวนี่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ไหมผมก็บอกแล้วว่าทาน การให้ทานอย่างเดียวบารมีสิบคบทนท่านทั้งสองท่านนี่มีจิตสนใจในการให้ทานมาตั้งแต่กำเนิดเมืม่อฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าจบเดียวได้เป็นบระโศดาบันแต่พระบาลีถ้ามาได้บอกไว้ว่าสองท่านนี่ต่อไปได้เป็นพระอาหารหันต์ไหม <c oughs> แต่ผมก็คิดว่าท่านสองท่านท่านเกิดทัานพระพุทธเจ้า พบพระ อ, อริยเจ้าเกลื่นกราดท่านคงไม่โง่เท่าผมถ้าท่านโง่เท่าผมท่านก็ไม่ได้เป็นปะโสดาบันแล้วก็เท้าท่านจะไหลกว่าผมท่านคงไม่อยู่แค่ปะโสดาบันยังไงยังไงท่านก็ต้องไต่เต้าไปถึงพระ อ, อริ ย, รยเจ้าเบื้องสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ น, นิพพานนี่ตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่โง่เท่าผมแน่เพาว่าถ้าโง่เท่าผมท่านก็คงไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพระอริยเจ้าถ้าโง่เท่าผมท่านก็ไม่ทุ่มเทผลไทยนของท่านอย่างหนักเนตระบรรดาเพื่อนบิณฑุเทวมเนรและญาติโยมพุทธบริษัทถ้าการให้ทานตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยูหัท่านเคยทรงตัดมาเคยถามมา ว่าจะคะตัวเดียวจาฆ่าเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของการให้ทานจะทักคิดจะบริจาคจิตจิตคิดจะบริจาคจรงให้ทานได้ท่านถามว่าจะคะตัวเดียวไปานิพานได้ไหมนั่นะท่าก็ทรงตัดไว้เป็นเนาเป็นเนาเรื่องความคิดว่าการให้ทานถ้ายังใช้คำว่าเสียสละ เป็นกำลังทานบารมีอย่างอ่อนยังมีความเส้นดายอยู่บ้างต้องเลือกบคุคคลในการให้ทาน <c oughs> อย่างนี้อย่างไปนิพานไม่ได้ให้เรื่อยๆไปจนทั้ามีจิตเข้มแข็งขึ้นให้อัดตัวเสียไม่มีหรือได้สละทรัพย์สินเพื่อการให้ทานอย่างนี้เป็นกำลังกลางกํากลังกลังบารมีอย่างกลางเป็อุปาบารมี ยังไปในภายไม่ได้แต่เป็นพรมได้แบบสบายเป็นจาาน่าคารุตติหนักถ้าต่อมาเราให้เพื่อละเหลือละตัวเดียวเพื่อทรัพย์สินส่วนนี้เรามีไว้เพื่อให้ทานกำลังใจที่คิดว่าสละคือมีจิตหนึงดึงนิดไม่มีแล้วแต่ละเราละละทรัพย์สินที่เราให้เพื่อละต่อไปคือความโลภ เราจะละความโลภให้มันสลัดออกจากใจขลงไปไม่คบหาสมาคมกับความโลภอีกเพราะการให้ทานจิตคิดให้ทานมาเสมอแค่นี้และบรรดาเพื่อนพิโสสมณีนนและญาติโยมพุทธบริษัทถ้ากำลังเข้าถึงละตัวเดียวอย่างนี้ผมขอยืนยันว่าทุกท่านจะมีกำลังใจอย่างนี้มีบารมีเต็มครบท้วนสิบบารมี แล้วก็จะไปนิพพานได้ในชาตินี้ทั้งการบำเพ็ญบารมีจริงๆไม่ใช่ของหนักถ้ามีความเข้าใจไม่ใช่ของหนักเรามีอะไรบ้างในสิบบารมีนี่เราพอใจเราติดใจอย่างไหนหนักทําอย่างนั้นให้หนักและก็ทุกอย่างจะเข้ามาประสานตัวเอง เขมาประสากันทั้งสิบ็มาประสานกันตอนที่ว่ามาและผมจะสรุปให้ฟังทุกๆบารมีสำหรับวันนี้อพอจะบอกว่าเลิกสัญญาณบอกพอดีเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี